แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเมาเพิ่มขึ้นเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะโดนหลอกโดนหลอกให้เมาเมาแบบชนิดเนี่ยของเมาพวกนี้เลยจะเป็นชากาแฟจะเป็นเหล้าเบียร์ไวน์อะไรก็แล้วแต่เมาขึ้นมากนี่ยังไม่ไม่เอาเมาไปถึงไอเสื้อผ้าหรือว่าลิปสติกไอเครื่องประดับตกแต่งอะไรนะนี่เอาเมาแค่ไอของเมาจริงๆที่เสพแล้วติดจริงๆเลย นะอันนั้นเป็นข้อที่เจส่วนข้อที่8ดมักมองนอกหน้าต่างข้อที่แปดมันหมายความว่าไงบอลหลังเลยเดี๋ยวบางคนเวลาพอมายืนที่หน้าต่างเอ๊ะเ <c oughs> ข้าขายรึเปล่เนี่ยมักมองนอกหน้าต่าง <c oughs> คื อ, อันนี้เนี่ยเขาหมายความว่าอชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอะ ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะไอไอสำนวนที่เขาบอกว่าเนี่ยมาร์กมองนอกตาต่างเนี่ยคือชอบที่จะไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องนั่นเรื่องนี้เนี่ยนิสัยผู้หญิงนิสัยอิทธิภาะวะชอบนะะักละมันเป็นสำนวนนะนะมันพูดออกมาชอบมองนอกตาต่างแต่ความเป็นจริงแล้วก็หมายถึงว่าเนี่ยสอดรู้สอดเห็นชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านชาวช่องไอ ย, ยุ่งดีๆก็ไม่ว่าอะไระนะนี่ส่วนใหญ่มัน สอบรู้สอบเห็นเอเรื่องดีๆไม่ค่อยอยากจะรู้เท่าไหร่ชอบรู้เรื่องไม่ดีวันหนังสือพิมพ์เออะไรเออพวกเนี้ยมันขายเรื่องไม่ดีซะส่วนใหญ่เพราะว่ารู้ว่ากิเลสคนเราเนี่ยมันชอบฟังเรื่องไม่ค่อยดีเรื่องดีๆไม่ค่อยชอบฟังเพราะว่าฟังแล้วเดี๋ยวมันมันอะไรอ่ะรู้ว่าตัวเองยังยังไม่ดีวันนคนเราเลยชอบฟังเรื่องไม่ดีของคนอื่นเพราะฟังเรื่องไม่ดีของคนอื่น แล้วทําให้รู้สึกว่าเราดีกว่า <c oughs> มันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งของคนเราบางคนที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเลยชอบฟังเรื่องไม่ดีของคนอื่นเขาเพราะฟังแล้วจะได้ยกตนได้ว่าเออฉันยังดีกว่าไอ้คนนั้นตั้งเยอะนะแล้วก็เนี่ยชอบนะหูยืนหูยาวอค อ, อยาวชอบที่จะไปฟังชอบที่จะไปรู้ว่าเขายังไงอะไรบ้าง ยิ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหตายมันมีมือถือมันมีโทรศัพท์มันมีอะไรที่ติดต่อได้ง่ายโอ้หคุณไปดูทคุณไปดูมีมือถือเนี่ยคุณว่าผู้ชายกับผู้หญิงใครมีมากกันน่ยผู้หญิงอยู่แล้วเพราะว่านี่แหละชอบนะยิ่งเนีคุยกันจุกจุกจิกจโทรไปอะไรต่ออะไรโอ้ยผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเยอะเลยอันนี้เป็นอิติภาวะที่ชอบบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยก็ ก็โทรคุยกันเนี่ยอ่ไม่รู้อ่ะบางทีอวันนี้จะไปไหนเอ่จะกินอะไรเอ่อไปโน่นไปนี่ดีไหมไม่มีสาละอะไรเลยบางทีอ่ะอะ่ก็คุยกันอยู่นั่นเออตอนนี้ทําอะไรอยู่ห้านาทีโทรทีห้ า, าทีโทรทีจะบ้าอยูอ่แโอ้นั้นยิ่งเนี่ยโอ้โหมือถือทุกวันเนี่ยอาตมาว่า เป็นความฟุ่มเฟือยอย่างไ ร, ร้กาดเป็นความสูญเสียอย่างมหาศาลทำให้เสียเศรษฐกิจทําให้เสียเวลาทําให้เสียเงินทองทําให้เสียนิสัยที่สำคัญที่สุดคือทาให้เสียนิสัยทําให้คนเนี่ยแทนที่จะใช้เวลาทําหรือว่าจะพูดอะไรที่มันเป็นสาระเป็นประโยชน์กลายเป็นแบบฟุ่มเฟือยที่ก็หาเรื่องคุยไงอุสา ซ, ซื้อมาแล้วอะ่ะ อุก SAM ีแล้วเพราะฉะนั้นหาเรื่องหาเรื่องคุยหาเรื่องโทรแม้แต่บางทีอาจะมายังนึกๆใจใจเลยนะที่ในว่าจะเข้าประกาศยังมีเวลาอยู่นะไออะไรอะ่ะสี่รอนาทีแหมบางทีไม่มีเรื่องอะไรอ๋ อ, อเหลือเหลื อ, เห ล, อเหลือเวลาเหลือเพราะฉะนั้นก็เดี๋ย ว, ยวต้องไปใช้บริการสักหน่อยอะจะไปโทรต้องโทรไปดีทั้งจริงๆก็ไม่ได้มีสาระไม่ได้มีอะไรอะแต่ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ไม่หมดเดี๋ยวใช้เวลาไม่หมดแมเดี๋ยวเสียเงินให้จ่ายเข้าไปแล้วอ่ะกลัวว่าจะเสียเงินฟรีๆอ่ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยบางทีจะคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นเออเดี๋ยวต้องโทรสักหน่อยท่าั้งที่จริงๆเนี่ยถ้าถ้าไม่มีนี่ก็ไม่ได้โทรอะไรนะก็ไม่คิดจะโทรด้วยแต่พอมีนี่ละเดี๋ยวต้องหาเรื่องคิดว่าจะอะไรดีทันทีเลยเพราะงคนเราเนี่ยมันถึงบอกว่าโอ้โห ไอ้มือถือไอ้อะไรนี่มันมาทำให้คนนิสัยเสียก็ อ, อีกเยอะเลยส่วนคนที่เขาใช้ในการงานเขาใช้ในความจำเป็นจริงๆโอ้อันนี้ดีเป็นประโยชน์สูงแต่จริงๆแล้วมันจำนวนน้อยแล้วทุกวันนี้ขายดีที่สุดเลยโอ้โหมือถือแล้วตอนนี้ระวังนะเขาทุบหัวกันเนี่ยเขาทุบหัวเอามือถือนะแต่ก่อนนี้แหมเอานาฬิกา เอาอะไรนี่เดี๋ยวนี้ตกแล้วไอ้พวกนาฬิกาพวกสร้อยข้อมือพวกอะไรเพราะมือถือมันขายออกง่ายกว่าขายได้ดีกว่าวตอนเนี้โอ้โหขโมยนี่ขโมยไอ้โทรศัพท์มือถือนีมนมน่มากเหลือเกินอ้าวเวลาเขาขโมยนี่นะพอเขาคนกระเป๋าหรือว่าเข้าอะไรคุณแล้วไม่มีมือถือนี่ก็เสียเวลาเสียเวลาทํามาหากินเขาคือขโมยอย่างอื่นมันรู้สึกว่ามันขายไม่คล่องแล้ว พอก็มยมือถือนี่แบบขายครอ่องนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พูดให้ฟังในเรื่องของว่าเนี่ยชอบนะอยากรู้อยากเห็นชอบจุ้งเรื่องชาวบ้านเาเยอะแล้วบางทีก็เลยเอามากุ้มมาทุกหรือว่ามาทะเลาะ ก, กันเองในบ้านเพราะว่าเอาเรื่องคนอื่นเข้ามาคุยไงมาคุยมากคุยในบ้านจนกระทั่งเลยบ้านก็เลยวุ่นวายไป ก, กันหมดเลย ไอ้เรื่องตัวเองปัญหาตัวเองต้อ ง, งยองแย่ไม่รู้จักเอามาคุยไม่รู้จักเอามาแก้ชอบไปเอาเรื่องคนอื่นเข้ามาสมใส่ภายในบ้านอีกเขาถึงบอกว่าไปในอย่านํานออกไปนอกอย่านําเข้าเขาถึงมักจะแนะนำไว้อย่างนั้นส่วนข้อที่เกมักแอบที่ประตูไอ้ละกี้เนี่ยมักมองออกนอกนาตา่าง เอกีนะสํานวนมักมองออกนอกต่างๆคราวนี้ข้อที่เก้ามักแอ บ, บที่ประตูก็อะไรส่วนใหญ่แอบบที่ประตูง่ายที่สุดจะใครบ้างใครไม่เคยแอ บ, บที่ประตูบ้างเลยเนี่ฮะผู้หญิงไม่เคยเลยเหรอ <c oughs> อาจจะว่าเคยแต่ลืมไปแล้วแหละ <c oughs> เคยแอบบที่ประตูบางทีก็ฟังที่เขาคุยอะไรกันนะ แอบที่ประตูไอ้บางทีกฟังที่ก็คุยเรื่องอะไรก Rim ันเหมือนเหมือนพวกสอดรู้สอนเห็นนะแต่บางทีมันอยากรู้อ่ะอยากรู้อ่ะแอบที่ประตูแต่ในที่นี Expert> ้เนี่ยแอบที่ประตูในนี้เขาไม่ได้หมายถึงว่าแค่แอบฟังหรอกนะอันนั้นอันนั้นไปอยู่ในไอมองนอกตาต่างก็ได้นะไอที่สอดรู้สอดเห็นอันนั้นมันสอดรู้สอดเห็นอันนี้มาแล้วไออันนั้นมันสอนเห็น ไอ้อันนี้มันสอนรู้เคือมันอยากจะรู้ว่าเขาพูดเขาอะไรกันยังไงอแต่จริงๆในที่นี้นี่เขาหมายถึงกิริยาท่าทางด้วยบางทีชอบทําเป็นอายแหม่ไปทําเป็นหลบแอบหลบอยู่ข้างประตูอะไรเงี้ยทาเป็นอายทำเป็นเขินทําเป็นอะไรอะ่ะคือจริงๆมันเป็นกิริยาอาการที่ทําเพื่อที่จะให้อะไรอะ่ะผู้ชายเนี่ย แม่รู้สึกมันเหมือนกับยั่วยวนยวน่ะยั่วยวนผู้ชายแต่ว่าแทนที่จะ อ, อย่า ง, งานั้นงี้เห็นไหมล่ะบางทีหนังอินเดียเอมไปหลบอยู่หลังต้นไม้บ้างอลบอยู่ข้างประตูบ้างอะไรบ้างแล้วก็โผล่หน้าออกมาเดี๋ยวก็หลบเข้าไปอ่ะเนี่ยทำเป็น แ, บบแอบนี่แหละมันเหมือนกับมันยั่วุกิเลสมันยั่ว ก, กิเลสให้ผู้ชายอยากจะมาจ้าเอ๋อะไรเงี้ยเออ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหนึ่งของของอิทธิภาวะ น, นะเสร็จแล้วตอนนี้เอาละนี่นี่เ้าอย่าง น, นะบอกว่าเนี่ยผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยจะปฏิทุสลายเนี่ยปฏิทุสลายผู้ชายหรือว่าปฏิทุสลายคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยเ้าข้อนี้เป็นข้อที่ปฏิทุสลายคนอื่นเสร็จแล้วนอกจากนี้สหายปุณณมุขะเอย๋ยหญิงย่อมยั่วยวนชายด้วยฐานะ สี่สิบเจ็ดอย่างโอ้โหเมื่อยเลยนะี่ยสี่สิบเจ็ดอย่างแต่อันนี้ฟังอยู่นะสี่สิบเจ็ดอย่างนี้เ อ, อบางคนอาจจะไม่มีหรอกแต่บางคนอาจจะมีโดยไม่รู้ตัวในสี่สิบเจ็ดอย่างเนี่ยโอ้ยบางอย่างก็ข่ำขมำไม่รู้ช่างคิดไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะเ อ, อส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของ สีสิบเจอย่างนี้นะเน้นไปในเรื่องของอบุคลิกรีลาท่าทางอะไรต่างๆแล้วซึ่งเรื่องนี้อาตามาอยากจะพูดว่าบางคนไม่รู้ตัวจริงๆเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยมีกิริยาอาการที่ยั่วยวนคนอื่นเขาแต่ไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าว่าอย่างเนี้ยคือการยั่วยวนคือคือคือเจ้าตัวเองอาจจะคิดว่า เอ๊ะก็ทำปกติทำธรรมดาแต่ที่จริงแล้วลักษณะอย่างนี้แหละคือการยั่วยวนผู้ชายแต่เขาไม่รู้ตัวเท่านั้นเองส่วนคนที่มีเจตนาที่จะยั่วยวนผู้ชายเลยอันนั้นก็อีกอย่างหนึง่งนะเพราะนั้นอาตมาพูดในสองลักษณะให้พวกเราฟังว่าอย่างหนึ่งนี่คือรู้แล้วว่าอย่างนี้คือยั่วยวนก็เลยเจตนาแล้วก็แกล้งทา เพื่อที่จะยั่วยวนผู้ชายส่วนอีกอย่างหนึ่งไม่เจตนาทําไปตามจริตนิสัยของตัวเองซึ่งไม่ได้คิดว่าจะไปยั่วยวนใครแต่ความเป็นอิทธิภาวะที่มีเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้แหละเนี่ยคือการยั่วยวนแหละจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ถ้าทําอย่างนี้ออกมาแล้วมันเป็นลักษณะที่ยั่วยวนผู้ชายเขาเป็นอิทถีภาวะอยู่ในตัวเองโดยที่ตัวเองอาจจะคาดไม่ถึงก็ตาม อ่าหนึ่งนะดูนะสีเจอย่างหนึ่งคือทำดัดกายทำดัดกายบางทีอะไรอะ่ะบิดเนิ่นบิดนี่อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อบางทีบิดซ้ายบิดขวาอะไรต่างๆอะไรเนี่ยดัดกายเขาเรียกดัดกายคืออาจจะไม่เจตนานะอาจจะไม่เจตนาก็ได้แต่ถ้าคืออย่างเงี้ยถ้าผู้ชายเห็นหรือว่าอะไร โอ้โหเห็นอะไรย่างนี้อาจจะเกิดอารมณ์ได้ใช่ไหเอ่าก็นั่นแหละเดี๋ยวคุณฟังดูแล้วกันอาตอมาบอกแล้วพุทธเจตนะหรือคุณไม่เจตนาก็ตาม อ, าอันก็นั่นแหละเดี๋ยวคุณฟังดูแล้วกันมันเยอะเลยรับรองเลยไอ้ที่คุณจะออกกําลังกายคุณจะอะไรเนี่ยมันหนีไม่พ้นสี่สิบเจ็ดอย่างเนี่ยแต่ให้รู้ไว้อันนี้อันนี้เขาใช้คําว่าดัดกายนะดัดกายอาการของการ เอี่ยวตัวกายของการดัดกายอะไรอย่างต่างเนี่ยเอา้ามันเป็นยั่วยวนเพศตรงข้ามเหมือนกันท่าสมาผู้มุมกับนะผู้ชายก็เหมือนกันเอาบางทีผู้ชายเนี่ยทำเป็นท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้เอ้ามามมันก็ยั่วยวนกวามยั่วยวนราคาให้กับผู้หญิงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอิทธิภาวะพราะการดัดกายการอะไรในที่ ท, ที่บางทีเนี่ย ยิ่งเราไม่ได้ไปทําในสถานที่ที่อะไรอ่ะบิดชิดหรือว่าปิดบังอะไรอย่างงี้ทาเนี่ยโอ้โหกลางแจ้งเลยยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ดัดกายธรรมดาหรอกยังไงโอ้โหชุดที่ใส่แม้แต่ไปออกกําลังกายแม่อะไรอย่างงี้โอโ้ใส่ชุดชนิดอะไรอ่ะยังกับชุดว่ายน้ําอ่ะยังกับชุดอาบน้ําเลยอ่ะโอ้โห เหลือเกอินเลยไอ้นั่น ย, ย, ยังไม่ต้องดัดเลยอะ่ะนี่แม้แค่เห็นชุดมันก็จะแย่อยู่แล้วไอ้คนที่มันมีกิเลสการ ม, มีกิเลสราคะเพราะฉะนั้นอ ย, อย่างพวกเราเองเนี่ยเราถึงไม่เลยอ่าอย่างพวกเราเนี่ยใครจะไปไออะไรแอโรบิกใครจะไปออกกําลังกายของเรานี่เราต้องให้ใส่ชุดให้รอบคอบให้รัดกลุ่มไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ชุดที่จะไปทําให้เกิดการมาราคะกับใครเขา แม้แต่เนี่ยจะว่ายน้ําก็ตามชุดว่ายน้ําอย่างของที่อนุญาตของอโศกเรานีเา่เรียกว่าเห็นแล้วก็อารมณ์หดหายไปเลยอะชุดว่ายน้ําอย่างของอโศกมาจึงผู้หญิงกันนะอะจริงจริงแต่ก่อนนี้พ่อท่านต้องไอ้นั่นเลยนะบอกว่าอาจจะชุดอย่างงี้งี้ได้ถ้าชุดแบบไอ้ two piece o piece อะไรที่เข า, เาชิ้นเดียวสองชิ้นอะไรนี่ ไม่ได้ไม่เอาเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่ถ้าใครศึกษาเรื่องการเรื่องราคาเรื่องของกิเลสตัณหาอะไรพวกนี้แล้วถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราจะระมัดระวังแล้วก็ฉลาดที่จะรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวแม้แต่เสื้อผ้าแม้แต่จะไปบริหารร่างกายท้าไหนที่เออพอจะใช้ได้ท้าไหนไม่เหมาะไม่ควรอย่าไปทา เราถ้าใจไปทำก็นู่นไปฝึกในที่มิชิซ่าไม่ใชมมาฝึกท่ามกลางโอยคนต่อใครต่อใครเยอะแยะไปหมดอ้าวหน้าหนึ่งนี่ทำดัดกายสองทำท่าก้มทำท่าก้มเอ่ออ่เนี่ยบางทีก็เกิดกิเลสกามเกิดกิเลสราคะได้แล้วโดยเฉพาะโดยเฉพาะ ท่าก้มนี่ไม่ใช่อะไรอื่นหรอกนะท่าก้มอย่างเช่นทําผ้าเช็ดหน้าตกอทําอะไรอ่ะอ่อยเหยื่ อ, อเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกว่าอ่อยเหยื่อเนี่ยเนี่ยลักษณะลีลาท่าทางอะไรพวกเนี้ยอาจจะเดี๋ยวนี้เขาอาจจะเลิกใช้ผ้าเช็ดหน้ากันแล้วนะอะทําอะไรหล่นก็นแล้วแต่บา่ทีอะหล่นแล้วก็ให้คนมาเก็บหรือว่าอะไรต่ออะไรอันนี้เอเดมาพูด พูดเลยเถอะมาปัจจุบันนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่าก้มท่าอะไรต่างๆนี่มันยั่วยวนมันกวนทั้งนั้นแหละนะกวนกิเลสให้เกิดขึ้นทั้งนั้น <c oughs> อ่าสองท่าไว้แล้วนะท่าที่สามอันนี้ไม่ใช่โยคะนะอันนี้อันนี้เป็นท่าที่บอกว่าท่าอย่างนี้เป็นการยั่วยวนชายในที่นี้เขาบอกเลยว่าเนี่ยหญิงย่อมยั่วยวนชายด้วย ลักษณะอย่างนี้มันเนี่ยดัดกายหนึ่งนะก้มลงนี่สองสามกรีดกลายกรีดกลายไม่รู้จะพอจะเข้าใจไหมเดินกรีดกลายแหมบางทีอะไรอะ่ะแหมไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเออมันเหมือนกับแหมนางละครเดินเหมือนนางละครพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดินแบบผุ่นแข็งเป๊กมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็เดินธรรมดานี่แหละ แต่กรีดกายจะมันหมายถึงว่าหมายแหมมันมันมันเหมือนกระตุ้งกระติ่งมันเหมือนอะไรอะ่ะแหมลีลาเหมือนนางเอกเหลือเกินนางเอกนางดานางฟ้อนนางอะไรแหมเดินกรีดกายไปกรีดกายมาเนี่ยมันเหมือนกับมันยั่วยุ่น่ะอยากให้เขาเห็นอยากให้เขาดูนั่นะละกรีดกายไปกรีดกายมาอย่างนี้อันี้นอย่างที่สมอย่างที่สี่นี่นี่ทําเขินอายทําอายผู้หญิง จริงๆบอกแล้วว่าบางครั้งเขาก็อายจริงๆเขาไม่ได้ว่าแกล้งอายนะแต่แต่การทำอายนี่ยแหละบางทีเออมันยั่วยวนไอเพศตนข้ามได้คือบางคนเขาก็ชอบอะ่ะเออแหมผู้หญิงทําเป็นอายชอบชอบผู้ชายนะผู้ชายมันชอบวันบางทีไม่ต้องไปทำอายอะไรก็นักกนหนาหรอกคือคือคือเราฟังมานี่นะนี่เพิ่งพูดมาแค่ สีละทําอ้นี่เป็นข้อที่4ให้เรารู้ว่าลักษณะอาการอย่างเงี้ยวันหลังเนี่ยเออเราระวังอย่าไปให้มันมีพวกนี้ถ้าเราสามารถระวังอางการกริยาพวกนี้ได้เท่ากับคุณเริ่มลดอิทธิภาวะลงแล้วลักษณะที่มันจะทําให้เป็นลักษณะของผู้หญิงออกมาเนี่ยมันจะลดลงนะเพราะฉนั้นไม่ต้องดัดกายไม่ต้องทําก้มไม่ต้องทํากรีดกายไม่ต้องทอาําอ เอ้าวห้า huh. ทำทีแกะเล็บอแกะเล็บอั น, นี้มันเหมือนบางคนเนะีเขินเน่ยดึงผ้าดึงใบดึงมาบางคนก็แกะเล็บไปแกะเล็บมาเ อ, อคงพอจะนึกออกนะเออคงพอจะนึกออกอันเนี้มันมันก็คล้ายๆทํ า, าทอายเหมือนกันนะแต่อายนี่อันมันอ ท, ที่ที่หน้าตาใช่ไหมบางทีมันทํามวนไปม้วนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แกะเล็บเ อ, อเป็นลักษณะที่ บางทีผู้ชายมันชอบนะกัาตามาก็ไม่รู้นะแต่ตามาไม่ได้ชอบนะมึงแกะเล็บเอขี้เล็บเยอะเหรือไงแกะเล็บอยู่ได้แต่บางคนจะบอกว่ามันเหมือนกับแหมก๋วยเขินใช่ไหมเอียงอายทำมาเป็นแกะเล็บอะไรอย่างเงี้ยอืมบางคนก็อะไรนะว่ามาทำเป็นมังกัดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะกัดเล็บแหมเขินนะ่ะทำเหมือนเขินแล้วก็มากัดเล็บ อาตมาดูแล้วออยากจะดีซะทำอย่างยี่สะดิ่งมากแนละ้วเดี๋ไม่ชอบจริงไม่รู้ยังไงไม่เคยชอบอืมอ่ะนี่ทําเป็นแกะเล็บนะห้าหทาทำท่าเอาเท้าเหยียบกันเป็นอย่างไงทำท่าเอาเท้าเหยียบกัน มันเขินหรือเอเอเอนี่ยนึกออกได้บางทีทําเป็นเอาเท้ามาซ้อนเงินใช่ไหมเอาเท้ามาซ้อนเงินแหมทําเป็นบิดไปบิดมาลักษณะพวกนี้มันมันมันย่อดวนกิเลสทั้งนั้นอ่ะคุณอาตมาว่าคุณพอจะนึกนึกภาพมันออกวันเราเนี่ยเราพยายามถ้ามีสติแล้วเราระวังไว้อย่าไปให้มันมีลักษณะอาการพวกนี้นะส่วนข้อที่7ทําท่า เอาไม้ขีดแผ่นดินเอ่อทำท่าเอาไม้ขีดแผ่นดินอันนี้ก็เหมือนกันอาตมาว่ามันเหมือนกับไอ้แม่ทําเป็นเขินไปเขินมานะเอาไม้ขีดไอ้ด น, น, นเล่นขีดไอ้ดีเล่นอาตมานึกได้บางทีไปงานปลูกเสกไปงานพุทธาเราก็มีฟางเอามาปูแล้วก็คุยธรรมะกันอะไรกันเงี้ยบางทีมือกับ หยิบขึ้นมาเหมือนกันนะไอ้ฟางหยิบขึ้นมากุยไปก็หยิบขึ้นมาบางทีก็อะไรอ่ะเออหักหักเล่นเออเอีนี่นีน่ยลักษณะอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้ามีสติรู้ตัวเนีเออ่ยพยายามพยายามอย่าไปทําอย่าไปทําอย่างนั้นนะแต่อันนี้เนี่ยเขาหมายถึงผู้หญิงนะที่ไปทําเป็นขวยดเกินอย่างงั้นไอ้ผู้ชายจะไปเอาไม้ขีดแผ่นดินเล่นมันคงไม่ค่อยมีอ่ะอืม อ่ะตอนนี้ข้อที่แปดทำท่ากระโดดข้อที่แปดทำท่ากระโดดโลดเต้นอะไรต่างๆนะทำเป็นอะไรอะ่ะเออกระดีกระดาทำเป็นดีใจทำเป็นอย่างงั้นอย่างนี้กระโดดโลดเต้นคือการกระโดดโลดเต้นเนี่ยต้องรู้ว่ามันเป็นการยั่วยวนผู้ชายอย่างหนึง่งเพราะบางทีคุณไม่ต้องกระโดดโลดเต้นหรอก นะแค่คุณอะไรอะ่ะคุณคุณเดิ น, นแรงๆคุณอะไรอะ่ะใช่ไหมซึ่งโดยสรีระโดยอะไรเนี่ยมันก็ยั่วยวนไปแล้วเพราะฉนั้นก็พยายามนะอย่าไปอย่าไปทกระโดดโลดเต้นอะไรไอ้พวกไอ้ระบำลบำฟอนพวกอะไรที่มันแมหมะมันก็ต้องเกื้อหนนไห้ก็โดดโลดเต้นอะไรต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันมันยั่วยวนทั้งนั้น เพราะนั้นผู้เจ้าถึงตรัสพวกไอ้นางระบำลำฟ้อนอะไรพวกนี้นรกปรหาสะเลยว่ามีแต่ไปสร้างกามสร้างกิเลสให้กับคนดูให้กับคนที่มาพบเห็นเพราะนั้นไม่เพียงแต่ไม่ได้บุญกุศลยังได้นรกเป็นที่ไปนรกนี้เรียกว่านารกปรหาสะซึ่งแปลว่าพวกพวกที่หลงไหลในความ ลื่นเลงบันเทิงภาษานเนี่ยแปลว่าเนี่ยพวกลื่นเลงพวกบันเทิงพวก น, นี้แต่เป็นการบันเทิงได้นรกนะคือมีนั่นนะที่ตาลตาลปุตตะสูตรที่นักเต้นกินลำกินชื่อตาลปุตตะเนี่ยมาถามพระเจ้าพระเจ้าตอนแรกไม่ไม่ยอมออบอกนะมาถามเนี่ยบอกว่าเนี่ยโอ้โหเขาช่วยทำให้คนมีความสุขทำให้ อ, อ เต้นลำฟ้อนลำร้ อ, องเพลงอะไรต่างๆเนี่ยทาให้คนมีความสุขเนี่ยแหมเขาได้สวรรค์ผู้ยิง่ง่ายเขาได้ดิบได้ดีผู้เจ้าตอนแรกไม่พูดถามผู้เจ้าถามถามจนสามครั้งเนี่ยในที่สุดผู้เจ้าเลยอาจะบอกให้ฟังก็เลยบอกเลยบอกว่าเนี่ยพวกเต้นกินลากินเนี่ยเนี่ยจะได้นรกโอ้โหแล้วก็พูดให้ฟังเนี่ยเนี่ยเพราะ ไปทำให้คนอื่นเกิดกิเลสกลามเกิดราคะอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตัวเองก็กิเลสเพิ่มแล้วไปทำให้คนอื่นกิเลสเพิ่มอีกเพราะนั้นบีนรกเป็นที่ไปโอ้โหร้องไห้เลยเพราะว่ามันตร ง, งข้ามเลยเขาบอกว่าไอตาลปุตคนนี้นะปรากฏว่านักเต้นนักเลาะฟอ้อนลำคนนี้ที่ร้องไห้นี่ไม่ใช่เพราะว่าฟังที่พระเจ้าท่านตรัสนะ แต่เสียใจจนบอกว่าโดนอาจารย์ของอาจารย์ต่างๆเนี่ยหลอกมาว่าคนที่เต้นกินลำกินนี่คือคนที่มาทำให้คนอื่นมีความสุขเหมือนกับได้บุญกุศลได้สวรรค์บอกโอ้โหเจ็บใจเสียใจร้องไห้เพราะโดนอาจารย์ต่างๆพวกนี้หรือพวกนักเต้นนักฟอลอะไรต่างๆหลอกว่าจะได้สวรรค์ต่อเมื่อพอมารู้จากพระเจ้าว่าได้นรก ถึงแบบว่าร้องไห้เลยที่โดนอาจารย์ของอาจารย์นี้หลอกมาทำให้เขาก็ต้องทำบาปทำกรรมมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยวันนียไอ้ลักษณะไอ้ลีลาอาการกระโดดรวดเต้นระบำลาฟอลอะไรต่างๆนะเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องยัว่วยวนทั้งนั้นอ่าข้อที่9้าทำท่าให้เด็กกระโดดคืออะไรอะ่ะทเป็นอะไรอะ่ะสอนให้เด็กดู นะทำอย่างนั้นทําอย่างนี้ทํำท่าให้เด็กกระโดดแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเจตนาเนี่ยท ำ, ทำเหมือนกับ ว, ว่าน่ารักน่ารักแต่จริงๆแล้วก็คือทําท่าพวกนี้คือให้คนอื่นมาเห็นนะเอเออเออแหม่มั น, มนยัว่วยวนใจผู้ชาย อ, าอันนั้นเป็นข้อที่9ส่วนข้อที่10ทําท่าวิ่งก็ไม่ต่างจากกระโดดหรอกนะวิ่งเราก็เข้าใจอยู่แล้ว ว่าโอ้คุณยาอาการมันมันอะไรอะ่ะถ้าพูดในในภาษาที่ลบๆก็คือน่าเกลียดใช่ไหม αι? โอ้ผู้หญิงวิ่งนี่น่าเกลียดแต่ไอลักษณะที่น่าเกลียดนั่นแหละไอผู้ชายที่มันมีก า, มมการมีกิเลสราคามันชอบที่มันชอบเพราะว่านั่นแหละไอความน่าเกลียดนั่นแหละมันชอบ เพราะว่าไอ้ความน่าเกลียนั่นแหละมันยั่วกรามยั่วราคะมันจะชอบอย่างนั้น